กราบบูชาพระรัตนตรยัยกกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพุทเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบน้ำมศการพระเถรานุเถระซึ่งในที่นี้ก็มีหลวงพ่อกลมเป็นประธานแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็กราบน้ำมศการเพื่อนสาธรร ม, มิก ที่มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกุลโ ท, โทขอจเจริญในธรรมญาติโยมแม่ชีอุบะสกกุบาสิกาทุกท่านาวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ขึ้น7จ็ค่ำเดือน10ปีมะโรงตรงกับวันเสาร์ที่22กันยายน2 5 5 5้า จริงๆคิวของอกับผมเนรธรรมานั้ น, นที่เที่ก็คือเมื่อวานนี้นพอดีติดกิจนิมนต์ไปช่วยพระจันทรงสิ น, นอบรมเจริญสติกับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลนำไปมาศก็เลยในวันนี้ก็ทางท่านจันโนธก็ได้ให้โอกาส กับกระผมเนธมานะได้มาพูดคุยแสดงธรรมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะช่วยส่งเสริม <c oughs> กำลังใจนะในการประพฤติปฏิบัตนะิโดยเฉพาะยังยิ่งการเจริญสตนะิที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกุลโตแห่งนี้ก็จะขอพูดภาพกว้างๆไปก่อน นะแล้วก็จะอาจจะวกเข้ามาในส่วนของการปฏิบัติ เ, เมื่อเมื่อประมาณต้นเดือนนะก็ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อคำเขียนนะไปที่ประเทศพูธานบางทีเ็าเรียกว่าภูธานบ้างพูธานบ้างนะในความคิดหรือความตั้งใจเดิมเนะี่ยได้ยินเรื่องภูธานเนี่ยมานานแล้วนะ ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตรนะ์ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์สุรักษ์ีิวรักษนะ์เขียนเรื่องพูตานสวรรค์นบนดินนะก็ได้อ่านแล้วก็มีความสนใจนะถ้าสักครั้งหนึง่งถ้าเราได้มีโอกาสนะไปเยี่ยมเยือนถิ่นนะี้มันจะเป็นสวรรค์จริงหรือเปล่านะก็ได้มีโอกาสไป ก็ไปเห็นบรรยากาศของประเทศพูทธานแล้วนะก็เป็นบรรยากาศของประเทศที่ยังรักษาธรรมชาตินะมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็น้ำท่าก็อุดมสมบูรณนะ์นะน้านี่สีเขียวอ่อนใสนะเย็นสบายอากาศก็เย็นสบายทั้งปี นะความสูงเ็าอยู่เหนือระดับทะเลนี่ประมาณเป็นพันเมตรขึ้นไปนะก็อยู่เหนือประเทศอินเดียนะและอยู่ใต้ประเทศจีนนะอยู่ติดกับเทือกเขาฮิมลัลไลเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเย็นทั้งปีช่วงที่เราไปนี่เป็นหน้าร้อนนะอากาศก็ยังเย็นอยูนะ่ที่น่าสนใจอันนึงก็คือประเทศปูตานเนี่ยนะมีคนอยู่แค่เจ0แสนกว่าคน เ0เป็นชาวพุทธนะก็คือเป็นชาวพุทธนะที่เป็นพุทธแบบทิเบตนะที่เรียกว่าวัชรยานนะก็มีลามะมีภิกษุณีนะที่อยู่ในประเทศของเขาผูนะ้คนโดยส่วนใหญ่ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายชีวิตไม่เร่งรีบอะไรนะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร นะส่วนใหญ่ก็มีชีวิตเหมือนเข้าใจว่าน่าจะเหมือนอสังคมกเกษตรทั่วไปอ่ะถ้าประเทศไทยเราก็า จ, จะย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีที่แล้วนะที่เป็นสังคมกเกษตรนะที่เรามีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาตนะิก็ยังมีเวลาไปทำบุญเนะข้าวัดฟังธรรมของที่ปูตานเนี่ยนะ ในเมืองทิมปูซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขาเนี่ยหลังจากาทํางานกันเสร็จตอนเย็นเนี่ยนะก็เห็นประชาชนส่วนใหญ่นะเขาก็ไปบูชาสถูปนะซึ่งเป็นสถูปใหญ่กลางเมืองนะบางคนก็ไปสวดมนต์บางคนก็ไปเดินเวียนรอบถือลูกประคำนะแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรของเขาต่างๆซึ่งตรงนี้ก็แสดงถึงความผูกพันนะที่ ก็มีต่อพุทธศาสนานซึ่งตรงนี้ก็ทาให้คิดถึงประเทศไทยเราเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเราก็ยังผูกพันอยู่กับวัดผูกพันอยู่กับธรรมะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ชีวิตเนี่ยไม่เร่งรีบอะไรนักเป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ในประเทศปูตานี่ไม่มีการฆ่าสัตว์เลยนะหมายถึงว่าฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเนี่ยแต่การล่าก็คงจะมีบ้างนะส่วนใหญ่สัตว์นี่ก็ไปเอามาจากอินเดียนะสําหรับบริการชาวต่างประเทศบ้างหรือคนที่กินเนื้อสัตว์บ้างนะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันนะเราไม่เคยได้ยินแล้วก็ลามะหรือพระที่บวชเนี่ยตอนบวชในบวชได้นะ แต่ตอนศึกในต้องเสียค่าธรรมเนียมในการศึกเนะเขามีค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันและพระนี้ไม่ได้บินบาทนะส่วนใหญ่ญาติโยมก็จะเอาอาหารต่างๆเนี่ยไปถวายนะแล้วเขาก็ทำฉันกันนะก็เป็นเป็นเป็นกิจวัตรของเขาอย่างนั้นนะในส่วนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสโดยดูภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็เป็น เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสงบแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังในการที่จะให้คนเข้าไปในประเทศเขานะปีหนึ่งก็ไม่ให้เข้าไปไม่เกินสาม0 0ื่นคะนโดยใช้ค่าเหยียบแผ่นดินเป็นตัวกันคนไม่ให้เข้าคนะ่าเหยียบแผ่นดินนี่แพงมากนะประมาณวันละสองพันบาทนะนั้นก็เป็นส่วนที่ได้ไปพบเห็นมานะแล้วก็ ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเราซึ่งปัจจุบันนี้นะเราก็พัฒนากันไปนะมุ่งหวังเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจนะ ท, ที่ประเทศปูตาเนี่ยนะเขาเป็นประเทศแรกนะที่นำเสนอว่าการพัฒนาประเทศเป้าหมายของเขาไม่ใช่รายได้ไม่ใช่เงินแต่เป็นความสุขมวลรวมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่นำเสนอในสายประชาชาตินะทให้หลายประเทศโดยเฉพาะ ประเทศทางตะวันตกเนี่ยก็สนใจนะเพราะว่าตะวันตกเนี่ยพัฒนาโดยมุ่งรายได้มุ่งทางด้านวัตถุนะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาคือความเครียดบ้างนะเกิดโครคภัยไข้เจ็บเกิดอาชญากรรมมากมายนะในประเทศปูตานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอาชญากรรมนะมีเหมือนกันแต่มีน้อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นตรงที่จะหารายได้อะไรมากมายไม่ได้เน้นตรงวัตถุมาก นะฮะดเม้นในเรื่องของความสุขทางจิตใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายหลายประเทศให้ความสนใจนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยการที่คนในประเทศเขาอยู่ในธรรมชาติก็ดีมีธรรมะก็ดีเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะแล้วก็มีความสุขนะเท่าที่เราเห็นเพียงแค่5วันนี้ อาจจะก็คงจะมีแหละคนทุกมันก็ต้องมีนะแน่นอนแต่เท่าที่ดูก็เขามีความเป็นมิตรนะกับคนแขกแปลกหน้าแม้แต่เด็กๆนะหน้าตาเขาก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสนะเป็นคนมีอธัธยาศัยนะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเขาสอนให้เด็กเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นะีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเราเราเป็นแขกต่างประเทศไปนี่ ไปคุยกับเด็กนี่เด็กเขาโตต่อภาษาอังกฤษได้สบายเนี่ยนะขนาดเด็กอยู่ในบ้านนอกนะเราไปไปวัดวัดหนึ่งจะต้องเดินผ่านทุ่งนาไปเจอเด็กก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ถือว่าระบบการศึกษาภาษาของเขานี่ดีทีเดียวทีนี้ที่เล่าเล่าสู่กันฟังตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะย้อนกลับมาดูประเทศไทยเราแล้วก็ ย้อนกลับมาดูที่วัดของเราเนี่ยนะวัดของเราก็เป็นธรรมชาติล่มลื่นนะลักเราก็มีธรรมะนะที่เราประพฤติปฏิบัติกันและวัดของเรานี้ก็ไม่ได้เน้นนะที่จะสร้างวัตถนะุสถานอะไรต่างๆมากมายไม่ได้เน้นเรื่องของการสร้างพระใหญ่สร้างโบสถ์ใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เรียบเรียง่ายๆนะมุ่งเน้นนะให้เราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แล้วก็ได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นอันนึงเท่าที่ตัวกระผมที่ธรรมานะได้สัมผัสกับวัดป่าสุกโตนะตั้งแต่ปี2525 25, นะถึงปีนี้ก็เกือบ30ปนะีก็เห็นพัฒนาการของวัดป่าสุกโตมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทิ้งไปก็คือเป็นสถานที่นะที่จะให้ทุกคนเนี่ย ได้มีโอกาสนะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้เรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตของเราจริงๆอันนี้เป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์ที่วัดป่าสุกโตโดยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยได้วางรากฐานเอาไว้นะก็เป็นเป็นอาจจะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นคําพูดของธรรมะเองนะแต่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะก็ถือว่าป่าสุกโตเนี่ยเป็นสวรรค์บนดินแห่งหนึ่งเหมือนกัน นะที่เราได้มาใช้ประโยชน์นะไม่ต้องไปถึงปูตานหรอกนะป่าเขียวน้ำอาจจะขุนนิดนึงแต่ไม่ใสนะไม่เหมือนปูตานปูตานน้ำใสแต่ว่าก็มีน้ำที่เราเจาะจากบาดาลขึ้นมาก็ใสนะก็เรียกว่าป่าเขียวน้ำใสนะแล้วก็เราก็อยู่กันอย่างสงบนะเรียบร้อยนะมีการประพฤติธปฏิบัติมีการเจริญสติ นะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันปฏิบัติกันไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในความคิดของกระผมด้วยตมาก็ถือว่าเป็นสวรรค์แห่งหนึ่งเหมือนกันนะเป็นสวรรค์บนดินนะไม่ต้องไปรอให้ตายไปแล้วแล้วค่อยไปสวรรค์ชาติหน้านูน้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอนาคตนะแต่วันนี้เนี่ยนะเราได้อยู่สวรรค์บนดินที่วัดป่าสุกโตจริงๆ การอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันก็แปลกนะไปอ่านในหนังสือในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในคัมภีร์ต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็แปลกนะมนุษย์เราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยนะตายไปแล้วก็อยากจะไปเกิดสวรรค์ที่ทําบุญกันต่างๆนาน า, น า, น า, นานเนี่ยก็อยากไปเกิดสวรรค์แต่แปลกเทวดาเนี่ยอยากมาเกิดในโลกอะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าเทวดาเนี่ย อ, อยู่สวรรค์เนี่ยก็ จะนึกจะคิดจะกินอะไรก็ได้นะก็มีความสุขเพลิดเพลินไปนะแต่ว่าพอมารู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองหมดอายุในสวรรค์นะก็ตกมานะถ้าถ้าทำดีนะก็อาจจะได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นนะถ้าทำไม่ดีก็ จ, จะตกไปที่นรกหรืออาจจะตกมาที่โลกนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ที่ฐานว่าถ้ามีโอกาสนะขอให้มาเกิดในโลกนะเหมือนกับ พระเจ้าของเราเนี่ยนะก็ตามคำภีนะหนังสือก็บอกว่าเป็นเทพอยู่ที่ชั้นดูสิตนะก็ได้ลงมาเกิดนะเป็นเจ้าชายเศรษฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเราอยู่ในโลกนะเราก็ปรารถนาจะไปอยู่สวรรค์หลายคนดีเดียวนะแต่คนที่อยู่สวรรค์คือเทวดาเนี่ยก็อยากมาเกิดในนรกไม่ใช่เกิดในโลกเกิดในโลกมนุษย์เรานะเพราะว่า ในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขนะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองคนที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยมีแต่ความสุขสบายนะก็เพลิดเพลินบางทีก็ลืมตัวหลงตั ว, ล, ตวลืมตัวไปไม่ได้พัฒนาตัวเองนะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยมีความสุขสบายในโลกเนี่ยนะก็เป็นเทวดาพวกหนึ่งเหมือนกัน พวกนี้เนี่ยน่าจะให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเขาอยู่สุขสบายอย่างนั้นใช้มากินมานอนอย่างอยู่ที่วัดป่าหรืออยู่ที่วัดมาปฏิบัติเนี่ยมันยากลำบากนาก็ไม่เคยมากันน่าก็ถึงบอกว่าบางทีในศาสนาคิดบอกว่าอะไรนะเข็นอูดเข้ารูเข็มเข้ารูเข็มเนี่ยยากกว่าเอาเสถษฐีมามา มาเข้าหาพระเจ้านะนี่เป็นเรื่องที่ก็ช่างเปรียบเทียบดีเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อเห็นว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราอย่าให้เสียโอกาสนะที่จะได้มาเรียนรู้ทุกสุขนะที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเรานะโดยเฉพาะที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญนะเป็น สถาบันการศึกษาหนาที่จะให้เรามีโอกาสได้มาศึกษากายใจน่าก็คือชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยดูกระผมด้วยตยมาเองและก็มีความตั้งใจหนที่จะมาเรียนรู้พวกนี้ในเรื่องเหล่านี้เพราะมีความเชื่อว่ากายใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษามากเป็นการศึกษาที่จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับนรกสวรรค์นะที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะยังไม่ต้องไปพูดนรกสวรรค์เออเบื้องหน้านู้นนะหรือชาติหน้านู้นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะตามในคัมภีร์ก็พูดไว้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยความสามารถพิเศษนะที่จะต้องเห็นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ย ตัวก็ผมเรียกมาเองก็ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นนรกสวรรค์ในใจเนี่ยเราพอจะสัมผัสได้เราพอจะเรียนรู้ได้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถประจักษ์แจ้งได้นะด้วยการที่เรากลับมาดูกายดูใจของเราเมื่อใดที่เราทําดีถูกต้องตรงตามธรรมเรามีความสบายใจเรามีความสุขใจนะนั่นแหะคือสวรรค์ นะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําไม่ถูกต้องตรงทำทําในสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นพูดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายก็ดีหรือแม้แต่นึกคิดก็ดีนะถ้าเราทําไม่ดีเราก็ร้อน อ, อกร้อนใจนะไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เหมือนตกนรกเพราะฉะนั้นสวรรค์ น, นรกเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจเรานี่แหละนะด้วยการเจริญสติด้วยการที่เรามองเข้าไปภายในตัวเรา พนั้นนรกสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ในตัวเราเนี้เองนะแต่ในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่สวรรคนะ์หรื อ, อ, อสัมผัสกับนรกเท่านั้นนะมันมีส่วนหนึ่งก็คือความเป็นปกตินะของใจความเป็นปกติของใจเนี่ยนะเป็นพื้นฐานนะของชีวิตทุกๆชีวิตนะที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ เป็นความเป็นปกติสุขความเป็นปกติสุขเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกๆคนนะแต่ที่มันไม่ปกติเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราเผลอเราไม่รู้เท่าทันกับความนึกความคิดหรืออารมณ์ต่างๆนะที่มันจรผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปหรือแม้แต่ความทุกข์นะที่เกิดขึ้นจากกายเช่นเรานั่งนานๆเราปวดเราเมื่อยนะ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราก็จะไม่ปวดเฉพาะกายเท่านั้นนะแต่มันไปนกวนกะวะยกับใจด้วยนะตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะอาการต่างๆของกายนะที่มันแสดงออกมาเมื่อใดก็ตามที่เรารู้เท่าทันนะมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทัน นะเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นอาการของกายมันปวดมันเมื่อยนะแต่ใจเรายังเป็นปกติได้นะเราก็แก้ไขนะเปลี่ยนแปลงนะอัตกระยับขยื่นเปลี่ยนอิริยาบถไปนะมันก็คลายไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้หรือแม้แต่เราหิวเรากลางหายนะในบางครัง้งอยู่ในบางสถานการณ์เช่นขณะที่เราเดินทางเนี่ยบางทีมันไม่ได้เวลา นะหรือว่ายังไม่มีอาหารนะเราก็ทำใจได้กับความหิวความกระหายนั้นเราก็รู้อยู่นะว่าเราหิวเรากระหายแต่เราไม่กังวลกังวายใจซึ่งตรงนี้เป็นผลจากการที่เราจเจริญสตินั่นเองนะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้เราสามารถที่จะสัมผัสได้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการฝึกการหัดนะแล้วก็เกิดผลขึ้นมา นอกจากในเรื่องของกายแล้วนะมันก็จะไปเข้าสู่เรื่องของจิตใจนะจิตใจเนี่ยตัวใจเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่านะมันมองไม่เห็นแต่มันมีอาการต่างๆที่แสดงออกมานะไม่ว่าจะเป็นความนึกความคิดนะหรืออารมณ์ต่างๆที่มันแสดงออกมานะแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เคยฝึกไม่ได้เจริญสตินะไม่รู้เท่าทัน นะบางทีเราก็ไปตกจมนะอยู่ในความคิดความนึกอารมณ์เช่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดนะีเราก็รู้สึกว่ า, ามีความทุกขนะ์กับสิ่งเหล่านี้พอเราได้สุขเราก็อยากจะมีสุขอยู่นานๆอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่ความสุขมันก็ไม่อยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถบังคับบัญชาไดนะ้คนที่ติดสุข พวกเทวดาทั้งหลายพวกที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายพวกนี้พอติดสุขแล้วพอสุขมันหายแล้วนะก็เสียใจ อ, อ, อนะไรอาวรณ์อันนี้ก็ตกนรกทันทนะีเพราะนั้นสวรรค์นรนกนไม่อยู่ไกลกันเลยนะเหมือนกับเทวดาหรือว่าคนร่ํารวยทั้งหลายนะที่มีความสุขนะพอวันสุขหายไปนะก็มีความทุกข์หรือบางทีสุขที่มีอยู่นะไม่พอก็ต้องหาสุขที่มัน สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะกินดื่มเที่ยวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะกับการแสวงหนาะความสุขนะเพราะไม่รู้เท่าทันแต่เมื่อเรามาเจริญสติแล้วความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้นาะรักเราก็เห็นว่ามันผ่านไปเห็นความไม่จรังยั่งยืนของมันเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ นะเราก็กลับมาสู่ความรู้สึกตัวใจก็เป็นปกตินะสภาวะปกติมันก็แสดงตัวของมันอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้ก็อาศัยการเจริญสตินั่นเองเพราะฉะนั้นสวรรค์นบนดินเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะด้วยการเจริญสติแต่การเจริญสตินั้นเราไม่ได้หวังเพียงแค่สวรรค์อย่างเดียวแต่เราเราหวังสิ่งที่ความ ไม่แน่นอนของสวรรค์เรายังรู้เท่าทันอีกเราก็ไม่เอาสวรรค์อีกน ะ, ละเล่าความเป็นปกตินะซึ่งในภาษาบาลีหรือภาษาพระก็เรียกวันนิพพานนะแต่เป็นนิพพานแบบชิมลองนะนิพพานชั่วคราวนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยตัวผมได้แต่มาได้ยินได้ฟังครั้งแรกนะจากอาจารย์พุทธทาสนะโดยอ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสนะซึ่งก็เอ้อเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน นะก็ได้ยินมานานนะแต่เมื่อได้มาประพฤติปฏิบัตนะิการเจริญสติก็ได้สัมผัสเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางขณนะก็ยังฝึกฝนอยู่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นว่าเป็นทิศทางที่เป็นไปไดนะ้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถสัมผัสได้นะเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะทุกๆคนสามารถที่จะสัมผัสได้จริงๆถ้าเราเจริญสติ อยากถูกต้องตรงซึ่งการเจริญสติเนี่ยในขณะที่เราเจริญสติเนี่ยมันก็จะทำให้องค์มรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราได้สวดกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เกิดขึ้ น, นอย่างการที่เราเจริญสติเราก็จะเห็นความทุกข์ของกายเห็นกาย เ, ยเป็นก้อนทุกข์เห็นใจที่อาการต่างๆที่มันแปรปรวนไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปบังคับบัญชาไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ นะแล้วก็ทุกเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เท่าทันนะเะเพราะเผลอไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะและบางครั้งนะมันก็อยู่เป็นปกติของมันนะอันนี้เป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่นะและเราก็สัมผัสได้นะและเราก็มองเห็นเลยว่าสิ่งที่ที่ทำให้เราเพลิดเพลินเนี่ยทำให้เราหลงไหลเนี่ยที่เราเรียกว่ากามเนี่ย นะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเผลอสติได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะบรนะิออกจากกามนะหรือแม้แต่ความพยายบาทความมุ่งร้ายนะทึ่ทำให้จิตใจเราไม่ปกติเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเจริญสตินี้เองนะหรือขณะที่เราเจริญสติเราก็จะระมัดระวังในการพูดการจานะอะไรที่จะพูดแล้วกระทบกระเทือนใจคนอื่น นะพูดในคําที่ไม่เหมาะไม่สมนะก็มีสติคอยดูแลอยู่นะการกระทําต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปาณาติบาตก็ดีการลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะของที่เขาวางไว้เราก็ไม่ถือวิสาสะไปหยิบจับฉวยมาเนะนี่ก็เป็นสตนะิที่คอยดูแลเราอยู่นะจากการฝึกการปฏิบัติ แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอาชีพหรืองานที่เหมาะสมนะที่เป็นไปในทางที่ชอบนะเราก็ประกอบอย่ในส่วนของพระภิกษุสา ม, มเณรเราก็มีอยู่แล้วนะทำมัฟบีไนนะเราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยทำมัฟบีไนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจากการเจริญสติก็ทําให้องค์มรต่างๆนี้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อเราทําไปบ่อยๆมีความเพียรพยายามสัมมาวัมมะนะมนก็เกิดขึ้นนะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธนะิเพราะฉะนั้นองค์มรรคมรรมีองค์8เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะเมื่อเราจเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเรานะที่วัดป่าสุกโตเนี่ย นะเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องเป็นปกตินะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสวรรค์นบนดินนะที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่ต้องไปแสวงหาสวรรค์ที่เป็นข้างนอกนะหรือสภาพปกตนะิหรือไปแสวงหาความสุขจากภายนอกมากเกินไปเพราะเรารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะส่วนการที่ไป ข้างนอกบ้างเป็นบางครัง้งบางโอกาสนะก็เพื่อที่จะได้ดูจิตนะใจของเราการที่มาอยู่ในที่สงบในที่อํานวยให้เราไดา้มีการเจริญสติอย่างวัดป่าสุกโตมันก็ดีแต่บางทีเราก็จะติดนะสถานที่การได้ออกไปบ้างนะไปดูอารมณ์ของตัวเองไปดูความคิดของตัวเองนะเพื่อที่จะได้ดูว่า สิ่งที่เราได้ฝึกฝนนั้นมันใช้ได้ในทุกสถานที่หรือไม่นะมันใช้ได้ในทุกเวลาหรือไมนะ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ทดสอบทดลองดนะูว่าสิ่งที่เราได้ฝึกฝนไปนั้นนะมันเกิดผลยังไงแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงนะันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็นำเสนอนะแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็ คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปนะคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านนะที่อยู่ในที่นี้แล้วก็อยากจะชักชวนให้พวกเราเนะได้ร่วมกั น, นใช้ชีวิตนะด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะพระที่บวชโดยมีระยะเวลากำหนดชัดเจนนะก็ถ้านับเวลาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ เดือนเสร็จเสรเท่านั้นเองก็จะออกพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนชักชวนนะได้ให้เวลาที่เหลือเนี่ยนะสำหรับการเจริญสตนะิอย่างเต็มทีนะ่เพื่อที่ว่าจะได้ติดตัวไปใช้นะในออตอนลาสิกขาไปไปใช้ชีวิตในโลกในสังคมต่อไปนะเพื่อประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ของสังคม มีชีวิตด้วยความเป็นปกติสุขมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดและก็ปรับตัวปรับใจได้ทุกสถานการณ์ Gina, ในโลกที่เราจะไปอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อ, อ น, นำเสนอไวนะ้เพื่อให้พิจารณาไปปฏิบัติต่อไปในท้ายที่สุดนี้ก็ ขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมก็คือความจริงที่แสดงอยู่ให้เห็นทุกเวลานาทีนะส่วนพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจงเป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความเป็นปกติ ของกายและใจนในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร